ได้ตั้งใจมาวันเพื่อมาประกอบคุณงามความดีเพื่อให้ความสุขและความเจริญแก่จิตใจเพราะจิตใจนี้มีความสำคัญต่อสิ่งอื่นๆทั้งหลายในโลกนี้เนื่องจากจิตใจนี้เป็นของ เป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่หมดไปเหมือนกับสิ่งอื่นๆทั้งหลายในโลกนี้สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้มีการเกิดแล้วก็มีการดับไปเป็นธรรมดาแต่ใจนี้ไม่มีวันเกิดและไม่มีวันตายใจนี้เป็นสิ่งที่ อยู่กับเราไปตลอดเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขหรือความทุกข์กับเราขึ้นอยู่กับการกระทําของเราหรือการกระทําของใจใจเป็นผู้กระทําแล้วใจก็เป็นผู้รับผลของการกระทําการกระทําของใจก็คือความคิดต่างๆ ใจเป็นผู้คิดเมื่อคิดแล้วก็จะผลิตอารมณ์ผลิดความรู้สึกต่างๆขึ้นมาถ้าคิดไปในทางที่ดีก็ทําให้เกิดความสุขใจขึ้นมาถ้าคิดไปในทางที่ไม่ดีก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าคิดกลางๆคือ จะดีก็ไม่ใช่จะไม่ดีก็ไม่เชิงก็จะไม่มีความรู้สึกสุขหรือทุกข์จะเป็นความสุขกลางๆชีวิตของเราก็จะพบกับความรู้สึกทั้งสาม ร, รูปแบบนี้ขึ้นอยู่กับความคิดของเราถ้าเราอยากจะมีความสุขเราก็ต้องรู้จักคิด ให้เกิดความสุขขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์เราก็ต้องรู้จักคิดรู้จักห้ามความคิดที่จะผลิตความทุกข์ขึ้นมาไม่มีใครที่จะรู้ความจริงนี้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพ่อค์เดียวแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงรู้ความจริงทันงนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงนำเอามาสั่งสอนเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกเพื่อที่จะได้รู้จักคิดเพื่อจะได้เกิดความสุขและป้องกันลืมดับความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นได้ ความสุขความทุกข <group> ์ของเราจึงไม่ได้อยู่กับสิ่งต่างๆไม่ได้อยู่กับบุคคลต่างๆแต่อยู่ที่ความคิดของเรานี่ไหนความคิดของเรานี้ขึ้นอยู่กับความเห็นของเราถ้าเรามีความเห็นที่ถูกเราก็จะคิดถูกคิดดีถ้าเรามีความเห็นที่ผิดเราก็จะคิดไม่ดีเมื่อเรา คิดไม่ดีเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อเราคิดดีเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาดังนั้นสิ่งที่เราต้องมีที่เราต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความเห็นที่ดีความเห็นที่ดีก็คือความเห็นที่ถูกต้องกับความจริง น, นั่นเองเพราะว่าความจริงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องอยู่ด้วย ถ้าเราถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเราก็จะคิดไปในทางที่ทำให้เกิดความวุ่นวายใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาสิ่งที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นที่พระองค์ทรงนำมามาเผยแผ่นี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาเพื่อที่เราจะได้ มีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องนี้จะทำให้เราคิดไปในทางที่ถูกต้องคิดไปในทางที่จะทำให้ใจของเรามีความสุขจะทำให้ใจของเราไม่มีความทุกข์ความเห็นที่พระเจ้าทรงสอนไว้นั้นก็มีหลายระดับด้วยกันความเห็นระดับพื้นพื้น ทั่วไปก็คือเห็นว่าการทำดีจะทำให้เรามีความสุขแล้วถ้าเราตายไปเราก็จะไปสวรรค์ถ้าเราทำไม่ดีเราก็จะมีความทุกข์ตายไปเราก็ต้องไปเกิดในอ้ายไปตกนรกนี่เป็นความเห็นระดับ พื้นๆส่วนความเห็นระดับที่สูงขึ้นไปนี้ก็มีคือทรงสอนให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรมีการเกิดมีการดับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าอานิจจัง และทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีตัวตนเป็นอนัตตาไม่เป็นของใครทั้งนั้นของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟถ้าไปยึดไปติดกับสิ่งเหล่านี้ไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา าถ้าเราไปยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็จะมีความอยากที่ให้สิ่งนั้นอยู่ไปนานๆไม่เปลี่ยนแปลงแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอยากที่เราอยากได้กันทุกสิ่งทุกอยาก่างนั้นมีการเจริญและมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าเรา ไม่เห็นความจริงอันนี้เราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะใจอยากจะให้สิ่งที่เรารักเราชอบอยู่กับเราไปตลอดแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เมื่อมันเป็นไปไม่ได้มันก็จะสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับเราเนื่องจากเรามีความเห็น ที่ขัดกับความจริงเป็นความเห็นผิดเราต้องมีความเห็นตามความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่สามารถให้ความสุขกับเราไปได้ต่อเนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลนั่นเองนี่คือความเห็นในระดับสูงสำหรับผู้ที่ปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจำเป็นจะต้องมีกันแต่สำหรับผู้ที่ยังอยากจะกลับมาเกิดใหม่ตายไปแล้วยังอยากจะกลับมาเกิดอีกอยากจะกลับมาเกิดดีกว่าเดิ ท่านก็ให้เราเชื่อเรื่องบุ ญ, <ม> เ, รบญเรื่องบาปเชื่อเรื่องการทำดีการทำความชั่วถ้าอยากจะกลับมาเกิดใหม่ที่ดีกว่าเดิ ม, มก็ให้ทำแต่บุญอย่าไปทำบาปเพราะถ้าทำบาปแล้วกลับมาก็จะเลวกว่าเดิมจะแย่กว่าเดิมแต่สำหรับผู้ที่เบื่อต่อการ เวียนว่ายตายเกิดบวดเบือบบ่อต่อการที่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพรากจากสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆที่รักที่ชอบไปเราก็ต้องสร้างความเห็นในระดับสูงคือให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่พึงปรารถนาไม่ควรที่จะสแสวงหา มาเป็นสมบัติผู้ที่มีความเห็นดังนี้ส่วนใหญ่ก็จะออกบวชกันพเนพราะเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้น่าพึงปรารถนาเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขได้อย่างแท้จริงและถาวรมีเพียงการการทำใจ ให้สงบทาใจให้ปล่อยวางไม่อยากได้สิ่งต่างๆทั้งหลายเท่านั้นที่จะทําให้ได้พบกับความสุขที่แท้จริงผู้ที่มีความเห็นอย่างนี้ก็จะสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่มีอยู่สละบริสัทธบริวางคู่ครองให้เป็นอิสระไม่ยุ่งเกีย่ยว ขอปลีกตัวออกจากสังคมเพื่อไปปฏิบัติเพื่อควบคุมจิตใจให้มีความเห็นที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าเวลาใดที่ไม่มีความเห็นที่ถูกต้องเวลานั้นความหลงก็จะสร้างความโลภสร้างความอยากขึ้นมาทันที ผู้ที่ต้องการที่จะกาจัดความคิดที่ไม่ถูกต้องความเห็นที่ไม่ถูกต้องจำเป็นจะต้องเจริญความเห็นที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเลยก็ว่าได้ดังที่อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนพระอนุ์ว่าให้พิจารณาความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าก็ให้คิดว่าถ้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็จะตายเหมือนกันความตายจึงอยู่ที่ลงหายใจนี่เองอยู่ที่การไม่หายใจและสักวันหนึ่งก็จะต้องหยุดหายใจกันทุกคนแต่ถ้าเรารู้เรื่องหน้าก่อนเราจะได้ทําลายความหลงที่คิดว่า เราจะอยู่ไปตลอดเราจะอยู่ไปนานๆเราจะอยู่ไปกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เมื่อเรามีความเห็นผิดอยา่างนี้เราก็จะเกิดความโลภอยากให้สิ่งต่างๆนั้นอยู่กับเราไปตลอดอยากให้สิ่งต่างๆนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยากให้สิ่งต่างๆให้ความสุขกับเราไปตลอดเพราะความหลง แต่ถ้าเราคิดอยู่ทุกลมหายใจเขาออกว่าเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเมื่อเราตายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นั้นก็หมดสภาพจากเราไปเราก็จะไม่ได้เป็นเจ้าของของเขาอีกต่อไปเราจะไม่สามารถใช้เขาให้หาความสุขมาให้กับเราได้อีกต่อไป ดังนั้นความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆก็จะเป็นความสุขเพียงชั่วคราวชั่วขณะที่เรามีลมหายใจเข้าออกอยู่เท่านั้นแต่เราก็ไม่ได้รับความสุขจากสิ่งต่างๆเพียงอย่างเดียวเราก็ได้รับความทุกข์จากสิ่งต่างๆด้วยและจะเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขเสียอีกเพราะความทุกข์นี้จะมีอยู่แทบตลอดเวลา ความสุขนี้จะให้เราเป็นเพียงบางเวลาเท่านั้นเช่นถ้าเรามีคู่ครองเราก็จะมีความสุขกับเขาเป็นบางเวลาเวลาที่เราได้อยู่ใกล้ชิดได้หลับงองร่วมกันแต่เวลาที่เวลาอื่นเราก็จะต้องมาคอยกังวลมาห่วงมาหวัหว่กลัวว่าเขาจะ ไม่อยู่กับเราไปตลอดกลัว ว, ว่าเขาจะเปลี่ยนไปจากความรักกลายเป็นความเบื่อหนา่ายหรือความเกลียดชังนี่คือเป็นสิ่งที่เราจะวิตกกันความทุกข์ของเราที่ได้จากบุคคลจึงจะมากกว่าความสุขที่เราได้ความสุขเราก็ได้ในขณะที่เราได้มี ความสุขร่วมกันได้กระทำอะไรที่ทำให้เรามีความสุขร่วมกันแต่เวลาใดที่เกิดความขัดแย้งกันเกิดความเห็นที่ไม่ตรงกันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือความทุกข์ของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เราได้ความสุขจากสิ่งต่างๆเพียงเล็กน้อยแต่เราต้องรับความทุกข์กับสิ่งต่างๆ แทบตลอดเวลาเลยดังนั้นจึงไม่คุ้มค่ากับการที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ผู้คนฉลาดคนที่มีปัญญาที่เห็นความจริงอันนี้ก็จะเกิดความเบื่อหน่ายกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้กับความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ เพราะรู้ว่าเป็นความสุขที่ไม่แท้จริงเป็นความสุขปลองคนเหล่านี้ก็จะสละลื้อตัดละความสุขเหล่านี้ละสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วมุ่งไปหาความสุขอีกแบบหนึ่งคือความสุขที่เกิดจากใจที่สงบ ใจที่คิดดีใจที่ปล่อยวางถ้าใจเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่เป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราก็จะปล่อยวางสิ่งต่างๆไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆถ้าไม่ยึดไม่ติดปล่อยวางได้ใจก็จะสงบพอใจสงบแล้วก็จะมีความสุข ดังนั้นสาหรับผู้ที่ต้องการพบกับความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ถาวรเพราะจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีดต่อไปก็จะต้องเปีกวิเวต้องออกจากสังคมอย่างพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าก็เคยอยู่ในสังคมเป็นพระราชโอรสมีความสุขกับ สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้แต่ทรงเห็นว่าเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นความทุกข์เสียมากกว่าองค์จึงตัดสินพระทยัยสะละราชสมบัติแล้วก็สเสด็จออกไปบวชอยู่ในป่าเพื่อที่จะควบคุมจิตใจให้คิดไปในทางที่ถูกต้อง ให้มีความเห็นที่ถูกต้องเพราะเวลาใดที่ไม่ควบคุมใจแล้วใจก็จะคิดไปในทางเก่าเลยจะคิดไปว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ดี บ, นนบุคคลนั้นบุคคลนี้ดีจะให้ความสุขกับเราทันทีลาเป็นจะต้องคิดอยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าไม่มีอะไรดีในโลกนี้ไม่มีอะไรให้ความสุขที่แท้จริง เพาะทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนโดยเฉพาะร่างกายของเรานี้ที่เราใช้เป็นเครื่องมือหาสิ่งต่างๆหาความสุขต่างๆมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีแต่จะแก่ลงไปเรื่อยๆจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะต้องตายไปเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายไปหรือแก่ชรา ร่างกายก็จะไม่สามารถทําหน้าที่ตามที่เราต้องการได้ไม่สามารถไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่เราต้องการได้ตอนนี้เราทําได้แต่เรารู้รรไม่ว่าต่อไปร่างกายของเรานี้จะไม่ทําในสิ่งต่างๆที่เราต้องการได้แม้อยากจะทําบุญยังทําไม่ได้ บางคนเจ็บไข้ได้ป่วยมากๆอยากจะใส่บาทก็ไม่สามารถใส่ได้เพราะไม่มีกำลังวังชาที่จะถามแล้วดังนั้นขอให้เราคิดถึงความเสือ่อมถึงความสิ้นสุดของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาสัมผัสรับรู้รู้มาครอบครองไว้เป็นสมบัติของเราว่าสักวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่าง ก็จะต้องหมดไปจากเราแล้วเราก็จะต้องไปต่อไปหาสิ่งอื่นๆใหม่อีกถ้าเรายังไม่สามารถควบคุมความเห็นให้ถูกต้องได้เพราะจะเกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะฉุดกจิตใจให้ไป ไปเกิดใหม่ทีนี้จะไปเกิดที่ดีกว่าเดิมหรือไม่ก็อยู่ที่าการกระทาของเราในชาตินี้และในอดีตชาติถ้าเราทำความดีเราก็จะได้ไปเกิดที่ดีกว่าเก่าถ้าเราทำบาปเราก็จะไปเกิดในที่แย่กว่าเก่าดังนั้นถ้าเรายังไม่เบื่อต่อการ ที่จะต้องกลับมาเกิดใหม่ก็ขอให้เราอย่าทำบาปขอให้เราทำบุญให้มากๆอย่าเสียดายทรัพย์สมบัติข้้วของเงินทองที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้เอามาทำบุญเถิดเพราะเป็นเหมือนกับการปลูกข้าวสำหรับฤ ด, ดูหน้าถ้าเราเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว เราไม่แบ่งข้าวส่วนหนึ่งไว้เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเมล็ดสําหรับที่จะปลูกข้าวในฤดูการต่อไปพอปีหน้าเราก็จะไม่มีข้าวใหม่มารับประทานเพราะเราไม่เก็บข้าวเก่าที่เราได้เก็บเกี่ยวมาเราเอาไปขายกินหมดฤดูหน้าเราก็จะไม่มีข้าวปลูกไม่มีข้าวกินฉันใด ทรัพสมบัติข้าวของเงินทองที่เราได้มาในชาตินี้ก็เป็นเหมือนเมล็ดข้าวที่เราจำเป็นจะต้องแบ่งไว้ส่วนหนึ่งไว้สำหรับการปลูกเพื่อฤดู ก, การหน้าเราต้องทำบุญเพื่อพบหน้าชาติหน้าที่จะตามมาอีกถ้าเราไม่ทำบุญถึงแม้เราไม่ทำบาปเรากลับมา เราก็จะไม่มีความร่ำรวยกว่าเดิมและอาจจะยากจนกว่าเดิมก็ได้ถึงแม้ว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ไปเกิดในอบายไม่ได้ไปตกนรกแต่เนื่องจากเราไม่ได้ทำบุญและไม่ได้ทำบาปเมื่อเรากลับมาเกิดเราก็จะไม่มีบุญมาสนับสนุนให้เรามีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง เหมือนกับที่เรามีในชาตินี้ดังนั้นการทำบุญจึงเป็นเหมือนกับการนำเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารหรือเป็นการเก็บเลินข้าวไว้สำหรับพาอปู่ในฤดูการต่อไปเพื่อเราจะได้มีมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองรอเราอยู่เวลาที่เรากลับมาเกิด ในเรื่องของการทำบุญและการไม่ทำบาปสำหรับผู้ที่ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแต่ถ้าสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการที่จะกลับมาเกิดแล้วก็จะเป็นที่จะต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้สละความสุข ท, ทุกสิ่งทุกอย่างก็ เ, เป็นความสุขที่จะผูก มันให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเหมือนกับผู้ที่ติดยาเสพติดถ้าไม่เลิกเสพยาเสพติดก็จะต้องเสพไปจนมันตายกลับมาเกิดชาติหน้าก็จะกลับมาติดยาเสพติดใหม่แต่ถ้าเราไม่ต้องการที่จะกลับมาเกิดอีกเราก็ต้องละความสุขของ สิ่งต่างๆในโลกนี้เราต้องไม่สแสวงหาความสุขจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆแต่เราจะมาสะแสวงหาความสุขจากการทําใจของเราให้สงบใจของเราจะสงบได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถสอนให้ใจมีความเห็นที่ถูกต้องให้คิดถึงความ ให้คิดในสิ่งที่ถูกต้องตลอดเวลาเช่นคิดว่าไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นของเราไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขกับเราไปตลอดถ้าเราควบคุมความคิดเหล่านี้ได้เราก็จะทำใจของเราให้สงบได้เมื่อใจของเราสงบเราก็จะมีความสุขเราก็จะ ไม่รู้สึกเดือดร้อนถึงแม้ว่าเราจะไม่มีอะไรเหมือนเหมือนเมื่อก่อนนี้เหมือนเมื่อก่อนที่เรามาบวชเรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีทรัพย์สมบัติมีอะไรต่างๆถึงแม้ว่าเราจะมีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นเราก็ยังต้องมีความทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นด้วย แต่ตอนนี้เราไม่มีความทุกข์กับสิ่งต่างๆแล้วเพราะเราไม่มีอะไรเรามีแต่ความสุขอย่างเดียวเพราะเราสามารถควบคุมใจของเราให้มีความเห็นที่ถูกต้องให้คิดไปในทางที่ถูกต้องก็คือให้ปล่อยวางไม่ให้ยึดติดกับสิ่งต่างๆไม่ให้อยากกับสิ่งต่างๆพอเราทำได้ใจของเราก็จะ สมบอยู่ตลอดเวลามีความสุขอยู่ตลอดเวลามีความสุขที่มีอนุภาพมากกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าไม่มีความสุขใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบนัตถิสันติปรามรสุขาม ความสุขนี้เป็นความสุขที่แท้จริงเพราะเป็นความสุขที่ถาวรที่จะอยู่กับใจไปตลอดถึงแม่ร่างกายนี้จะตายไปถึงแม่จะจากสิ่งต่างๆทั้งหลายไปแต่ความสุขอันเลิศอันประเสนอนี้ไม่ได้จากไปไหนไม่ได้หายไปจากใจอยู่กับไปอยู่กับใจไปตลอด นี่คือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันตสาวุทัรงหลายท่านมีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจตลอดเวลาความสุขที่เรียกว่าปรังสุขขันคือบรมประสุขแปลว่าเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์มาเจือปนเลยเป็นความสุขร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นความสุขที่บริสุทธิ์เป็นความสุขที่ถาวร ไม่เหมือนกับความสุขของพวกเราที่ไม่ใช่เป็นความสุขร้อยเปอร์เซนเพราะมีความทุกขมาประสมด้วยและเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขที่มีือมีวันเสื่อมและวันหมดไปดังนั้นขอให้พวกเราอย่าหลงกับความสุขแบบนี้เพราะจะต้องน้ําตาตกในสักวันหนึ่งพวกเราทุกคนจะต้องหลั่งน้าําตาเศร้าสศด เสียใจกันอย่างแน่นอนในอนาคตเพราะว่าเราจะต้องสูญเสียสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบไปเราจะต้องสูญเสียบุคคลที่เรารักเราชอบไปและตัวเราเองก็จะต้องสูญเสียร่างกายที่เรารักอย่างมากไปด้วยถ้าเราไม่สอนใจให้ปล่อยวางตั้งแต่บัดนี้ เวลาถึงเวลาที่จะต้องจากกันเราจะทำใจไม่ได้เราจะทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเราหมั่นสอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าเราจะต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีอะไรที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขเราได้ตลอดถ้าเราสอนใจอย่างนี้ เราก็จะปล่อยวางได้เมื่อปล่อยวางได้เราก็จะไล่เข้ามาพบกับความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่ภายในใจของเราได้จึงขอฝากเรื่องของการลาวัดเพื่อมาทำความรู้จักกับความสุขและความทุกข์ที่แท้จริงที่เราจำเป็นที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นมาให้ได้ ด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่องจนกว่าเราจะสามารถพบกับความสุขที่แท้จริงได้การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยึดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตน า, ตายัย